นะบางคนบอกว่าท่านต้องการเดินทางไปที่ไหนนะบอกได้เลยนะก็จะเดินทางไปด้วยไปส่งไปรับได้อย่างนี้<ะ>ในวันธรรมดาอาจจะอาทิตย์ไปไม่ได้ก็พูดลักษณะนี้ก็ได้ก็ปรบันนาอย่างนี้ทีนี้คนที่เขามีทรัพายากรมากมีกําลังมากเนี่ยเขาก็ปรบันนาได้อย่างไม่มีขีดขั้นนะพระเจ้าใช้คํานี้คือคุณมีทรัพย์มากมีศรัทธาด้วยคุณปรบันนาไม่อั้นเลยแต่ <ขอ S 2> ถ้าสมมติคนที่มีศรัทธาเต็มที่แต่มีทรัพยากรน้อยมีกําลังน้อยอ แต่เขาปราณนาเต็มที่ของเขาเนี่ยเขาจะคือถ้าพูดง่งายๆคนเราทําอะไรก็จะได้บุญอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ยมีเรื่องเกิดกิเลสในสมัยพุทธกาลคุณสัญชนีพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ดีคือก็มีคนที่มีศรัทธามากอย่างโสตบันอย่างเงี้ยศรัทธามากค่ะนั้นแล้วเขาก็ปราณนาอย่างไม่มีขีดขั้นแต่ว่าเป็นสกุลคนจนแต่เป็นโสตบันมีไหมมีพระพุทธเจ้าจึงให้ประสงค์เนี่ยมีการอ ประกาศบอกกันว่าเอ้ยครอบครัวนี้นะเป็นครอบครัวเสคาคือครอบครัวที่มีมีทรัพยากรน้อยะแล้วมีโภคทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธามากเราอย่าไปขอเขามามีอย่างนี้ภิกษุที่เป็นอคันตุ ก, กะนะเดินไปเดินทางไปถึงวัดไหนหรืออาวาดไหนเนี่ยต้องสอบถามเจ้าอาวาสเลยว่าในที่นี้มีสกุลเสขะไหมเสขะตระกูลไหมะนะที่ว่าเราจะขอเขาไม่ได้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 จะโชคย่อยังไงพระุทธเจาบอกให้ใหพูดอิติปิโสพระควาอารางสมัมมาสัมพุโตก็คือที่เราเข้าใจกันอยู่อย่างนี้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นบรรหารตรัสรู้ชอบด้เลยข อ, องเราเองปลาปลาปลาไปอันนี้คือบทอิทธิปิโสที<ะ>นี้ถามว่าร้อยแปดจบเนี่ยใช่พุทธวจนะไหนไม่ใช่แ่<ะ>้วสวดกันสวดเพื่ออะไรแล้วถ้าถามสวดเพื่ออะไรก็ต้องไปถามคนสวด ค, <ะ>คือถ้าเป็นพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ บอกว่าให้สวดร้อยจบนะแต่เพียงแค่ว่าถ้าใครต้องการยกย่องพระพุทธเจ้าก็ให้พูดบทพยัญชนะนี้ได้ะะนะยกย่องพระธรรมยกย่องพระสงฆ์ให้พูดแบบนี้แบบนี้ค่ ะ, ะถ้าคุณมีใจอย่างนั้นในขณะที่คุณพูดอยู่แหมดีมากก็เท่ากับว่ามีสองส่วนอยู่ในคําถามนี้คําตอบเนี่ยมี2 ส, ส่วนส่วนหนึ่งเป็นพู้ทวัจนะแน่นอน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 ไม่มีอภิชาและโทมนัสนะไม่มีความยินดีเพ่งเลงมากฉันทำแบบนี้ไปนะฉันต้องได้อย่างนี้หุ่นฉันต้องเป็นอย่างนี้อ่างั้นเสียงเพลงเพราะจังแม้คนที่มาเต้นด้วยก็หล่อก็สวยอ่าถ้าไม่ไหลไปตามอายตนะผัสสะภายนอกดีมากน ะ, ะอยู่แต่ในภายในอย่างนี้เต้นลีลาดอะไรถ้ามีจิตที่ไม่มีอภิชาและโทมนัสอย่างนี้ก็ได้หมดแล้วได้นะพระสงฆ์เนี่ย